นคนคน่หลงกับสันทวาเขียนนาอสยส่งเงนะั่ันี้นาไปนข้ามย่ออันนี้คือกโตของนี้ั้งโงนางเนี morning, ย anya, <kit> ่ยเเป็นชือ <os> ีเ <ENTE> ียวก็ามันคามเขาอาานนตอุอนนั้นเป็นามสารอนเียเดียบีก็ทะระโทโตทโโตทั้งโม่ทั้งโ อาจารย่าาที่นาหน้า้บยสอันนเนียกาเอกูต้มาได้ตันเดียว่าับตัวเนาะเดียวอกอันนีเนียงโยาเอกูต้มาดตวับกับนเดียวกันเนี่ยกันยวกันนื่อกปัยกันแก่มือทวันทััคืนสีนสมาธิปัญญาสีนิระสาบันสมาธิพระโสดาบันปัญญาะสดาบัน ขปกพมนี่สามารตของปัสกพันธ์ธรมี่อนาจธรนี่เขาสามาเทียบกันมันบ่าอะไมันชุกอยว่าตัวก็ตามของมัเทียบกัน่ไมันตาันแม่บอกนี่ยังนิยอนตามหัแม่บอกซืออยู่ที่ใดกมาที่ไปอยู่ที่นั้นนิอนอยู่ทนั้นังอยู่ที่ใดเนื่อไ็อยู่ที่นั่นกะจกไปอยู่ที่นั่นเขาจะว่าจหนังก็ถึงงัวตายเพรก็ะถือเมื่อถือกรูกันัวแม่บออย่างกรป๋งดีเดีย่านี่ เขาดูด้วยพี่เขาสวพี่พพพพพาส ว, ะะวน่้าเรอคมอขาดูด้วยเนี่ยใชมันก็ไม่น่ามืดแน่หรอกมันก็ไม่ดินมีดินแน่ๆน่มันส้างน่้รับเนี่ใจน่ามันมีดิ น, น, าษาษาษานดูด้วยกัเขาฉันน่ามือก่อนก็ได้เลยะยักคูนะพระคสานนะครับก็มียหาจะกรสูมา้ากะสูจะกสูรวมกั คี่ตะคุ่ยตค่ทัญญาตะคุ่ยะคุ่ยปัญญาทุกที่ตะคุ่ยตะคุ่ยมันตุจ่เจรมชาติตะคุ่ยะคื่ยอดพ่อเห็นอนี้จางทุกคังอานาตาไม่ไเห็นโลกเห็นอันนี้จางสัตว่าไม่เห็นสรุปู้เขาเหรอว่าใด้นะเราพูดว่าเยอนแยะอันนี้จังอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นสรุปแต่ว่า่เห็นตัวกันหน้ารอแงสวรนน้ดวงปัญญาไม่มีเขาจะไม่ใช้เอทุกข์ไปได้เหรอว่าไม่เพือทุกขยไปได้เหรอว่าไม่ได้หร กูจะเห็นดินนู่จะเป็นคนดิยนั่นแหละที่กาบเราทีว่ากป็บื้งหนาเบืองหลังไรหน้าตรนี้รับกันนาอเดียวมันเกิดขึ้นวีแจกลอะไรแบบรับจิมาติานทางายนรวมมันรวบปัดนี่ไง่กดขึ็วนทจกผลอะไรักษณที่มีทราติแกลักษณะน้ควรจะแจกละอันนี้จะตาอนจะตาอันนี้จะตา ที่น้าอุน้าแต่าออกคือว่าร่วกับปรสานแม่เขาุสน้มาอยู่เลยเมื่อวาจะไปคิดไปได้สามารถที่ออกมาอวดกันเพื่อนั่งได้เพ่นั่งเพื่นี่นั bord, ่งด้เพ่อนเขาบุลงได้เหตุได้ออมันน <u> uh> ั่งเตจคิดไป่น็มันออกสะพานนี่เขาบุล่งได้เหตุใดอ่ออีนึงว่าจะออกว่าจะนั่งเออจะออกเพราะใจเงนจะนั่งเขาน้า ลัทธินั่งพาวารแจ้งกันเนี่นั่งพ่อระต้องการนึ่งมมี่นี่มี่นีกปะทารลงูหมั่นนี่หลงปูมหากราบเรียกนี่จิปะทาอื่นนี่หลวงปู่รี่ภาคภเชรอยู่อยู่ความปรงมนเอาน้ำด็ดเนี่ยเลเลยนั่นหลวงปู่รี่นั่งสมาธิมอเรากัดนิสัยเนี่ยเป็นนิัยว่ามีคอยองเต๋เลยยสิแมือตาร้อยพวกสระทเป็นสิตว์ปุักเป็นชีวิตสุนทรนี่ เทปเด็นเพราะว่าไมหรอกินขนมาว่ารบปุ่มวันวันเดียวทันไหมไ่ใช่ปฏิบัติใชปฏิบัติว่านต้องใช้อะไรมาทำประมาแบบนี้มันก็แน่วิ่งไปจับแจงเจ้าค้ากันนะจ๊ะอว่านางตาอย่างารอไม่แอรกันดูว่าเขาไม่ด้โฆษณาตกียนี่ตเจียร์ต้องเสะยหรอ่างลง้าราเชื่อบาาไโลกันั่งสามารถี่ดีได้ไหม มาวกผมกนั่งว่าไม่จะรคาเนี่ยเขาออข้าครนั่งมานมังข้าวทกข์อยู่ธรรมดาเนี่ยเขาแสดงกับผู้เหรอแสดงเ่าเพือนาไม่ที่นั่งเขคิดรละแสดงนี่เขาต้องใส่ก็ใส่แต่ให้เาใส คำว่าขับปฏิบัติเพื่อบรรลุารกิจของศาลปัญหาหลายเรืให้ปัญหาเพื่อหลัเพื่เพื่อดวงเพื่อหลังเพื่อใช้หรมันจะร้ายอย่างนี้ปัญหาปัญหาต่ขับปฏิบัติเพืวันเนี้ยออกจากวาระขอาลมัหลายปัญหานเดียวงาจะมีแคหน้าคันยิ่งบที่แค่ห้าันยิ่งมันกับวารายิ่งแล้วพัฒนานุตเนี้ยความเห็นเียบระุกานนเรียปฏิบัติเรียบนิจการนตรเรียความมุ่่เรียบ เห็นอย่าง่ที่มันกับว่ามั่กับว่ารูปพระพุทธบิสุทธิ์พระเจ้ห็นถือก็ะธสมาสิทธิมันมัก็บไปชุรสมาิธิ์พปะารหันต์เลยไปชุดด้วยธรมาสิธิ์พระธมาพระพุทธเจ้าเนั่นเป็นขัน็นมาสิทธิสธมาสิทิก็มัก็บ่าอยมะตัวเอาชื่อวายจะคมะิธิมันมันมันโรกดีแล้วมันโรกกุะเด้ท่องสอนพรุเจ้าดกระบาดแต่โลกสุะว่าเอ้รับที่ตัวฆราถาสังบรรลุเป็นผู้คองเลย บางทีก็ต้องเลื่อนนับแต่เขาจดาบนไ้งาดันเเอาไปทั้งเล็น่นแต่พ่อใหพี่ันพ่อเีอยู่อ่ี้บอกนั่นเร็ขาฟ้ามัดจะเบอรหมดที่ัวขมาว่าทั้งไปถามว่าว่าใหพักเป็นการบานการเมื่อจะถามยังไงพวกนี้พราพูดจเจากระอนอะไยังไง าครับหน้าพระพุทธเจ้าก็สอนพระพุทธเจ้าสอนวัดคีไปยาวพระเจ้าก็สอนช่วยห้พระเป็นสาบ้านเมืองนั่องทางเบากะไทยพระพุทธเจ้าก็สอนนั้รพระพุทธเจ้ากสอนไคีพระพุทธเจ้าอนไปยวพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วไอาาเจ็ดแอลอแล้วให้นางเานวายแล้วไปพูดว่าไหนพูดอะไรสอนดีพระพุทธเจ้าไม่สอนนึงใครออ มองรู้ไม่เทียบกับไร้ไข่หมอดังๆเขาว่เสียวชีเรียกเขาพุทเจ้าหรอกไม่ด้ปจัเงมา้กับตั้งวเสียวีเพุทเจ้าอกซเอว่าควรนพระเจ้าโตุ้ทเจ้าวภาษา่่นจะคนงาพเสเรียกนีีหลากหลายพองค์เจาะโอ้ยก็ปรมาองเจ้าโว้เลาเเี่ยพองค์ฉลาดพูดคนไทยไหยข้นบนคนนี่แะ ทั้งหลับทั้งงอทั้งงทั้งเสริมอันไหนจะได้ทั้งแยมทั้งคว่ำกไมันใช้เที่ยวพระพุทธเจ้ามือกขลูกเทแต่เที่ยวพระพุทธเจ้าว่พระพุทธเจ้าันพระพุทธเจ้าได้กว่ามันกลไปสององค์มาตัวทังหอัเี่ยพระพุทธเจ้าม่ได้เกิดคือเที่กันสองค์นี่ยู่ปฏิเสธนี่มันจะทำใรบงม่นวับตัวกันที่บนหอก ที่นี่กรรมฐานอะไรนี่วิบัติตอ่างนั้ตายแล้วไปใช้ตายแลาวใช้กษัตริก็ให้เขาหน้าตายรยละค่อยจะให้คนตายคุณนัขัตตยบว่าปล่อยว่าะปล่อยว่างยังหนีอันปล่อยว่างมันไส่กิริยาคือเขาอุ้มตากูจริงๆเขาสมุนปล่อยว่างมือ่น่ได้เอาเรามันต้วงอยนะู พี่ยหน้ปลอยว่างอุปหะผมว่าเขาไม่รู้เท่าเราก็ปลอยว่างเองมั้งวางเองห้องมันสมตูรณ์ปลอยเยองเขากินเขาด้วยกันเนี่ยถามมันเต็มท่อเขาไม่ไมันด้่ิเองเองมั้งนี่มันหันยิ้มปลอมมันเกิดขั้นฐาน่ข้อซึข้นเครื่องใช้ตอนไหนอ่ะตอนนั้นมันจะหายไปวันที่มันปลอยว่างนะดูว่าพี่ยันนาเขาเกิดข้อหนักพวกนี้เพมันเท้าแข็งแล้วเกิดบรรดาเนียมันเป็นสิงี่ะอน้วามที่ยันนา อันน like. really really it like. ี้งอันายก่อเป็นทีนี้จะคว้เข้าวมาที่นะถ้าพี่ชนะดินดินนีนี้าพนอางอาีกตนี้าทีมี่ี่ชนะค่อยๆยงรนี้ถ้าพี่ะมี่นี่อันดอัจังมันกับมืออันี้แล้วมันนี่จะคว้าข้าหมาห้อจมูกตกสมุิของเท่านี้หวนว่าดินใพวกแอันนาัจักครั้งนตายนคนแรกแ้วคนที่กิดมาอันนี้การถ้าเกิดเป็นแต่คน่จะไ คืนแต่ควนบ่พี่น้าหลังตาพี่น้าไสกข้อดักอะไรพี่าไปข้เสกเคืนทังแฝงท้วรคู่บ่พี่เป็นพี่น้าแต่ควนะข้ามบ่พี่น้าตด้านกลาง่น้าไปข้สก้าปนี่ยเดี๋ยวมันรู้ว่ตัวใม่ไปเนี่ยมันแกลงอันเห็นหันนส่วนเลยเข้ามาอันนี้ตนนันก็ว่าไม่ไปอันนี้ไปก็มันจะต่นนั่นั่นเราลงทํามะขัมันก็เปิดก็ดักผมว่าเามะก็ปพุกความหนวเรื่องธรมะอ๋อ จะสร้างเสกันไหมร่งมหายใจออกเขาออกร่อมทำมาคุณขงคุณพระธากุพระสงค์ตอนนี้อย่บนวรวรมาวันนีเอว่างวันนี้วยประการแรกนหนึ่งแ๋ยวนี้ค่ายอีกครับทุกทิุยางเสถียเมื่อน้นเงือนขึ้นไว้หม่ร้นก็เป็นกันเทศตอี่เรเห็นอันิี้จังคือโดวาใครจนะนเกว่าใครจะตายซงเท่ากันเสศเสถียวนีเื่อนขึ้นผู้สร้างนี่หน่อยผู้ปฏิัตน์น่หนอย กัดเศษอเงิน้าปรเซ็นมันกัดเศษชัวถ้ามาถูกด้กันแกเจ็ตามันก็ปถ้ามาถูกแกมีครบแล้าพน่าือนเต้นนิดนึงข้าพิณี่นาแกแกนินงขพิี่น่าเจ็บเจ็บดึงขี่น่าตานึงบเอะทั้งหลายมีอุกรณลอะแรททังหายมันมีอุปกรณ์มันผู้ที่จับมันมันทำอะไรท่แบนิษัี่เขาลงเอา พระพุทธเจ้าเองอาสวัสดีมากสวัสดมากสงศิลปสวัสดีมากหลยิ้ผู้สิบของพระธรรมปรงไหนพระดาบันพระพุทธเจ้าทำอะมาเสือคไหนใครผู้เน่นกอบเล่แสดงว่าพระพุทธเจ้าเขาเข้ารถถ้ำนนาไหมากกมากเลยมันชีวิตเคลีกบพระพุทธเจาพระพุทธเจ้าตามแบบนี้มาเท่านั้นต้องใช้ข้งนองในี้ออ พกศาสนา่นตามมาแ้ม mm ีาเไรเยซูตามาวมีมาเทไรปูนยาตากวพเยซูวะพรอเยเียกากดีกว่าตัวดีกว่าบัวดีกวาเรามาดีกว่าตัดีกว่าตัวไงคุเหาทั้งหลายพุทธกานะตะว วจันบรยใต้ไว้ับบรรชิตหายเอาวันที่เขาขาดอะไรกันงายต้ย น, น, นตาข่ า, ายกันอดีสังเ้อดดีงเตเข็มังเวยตนสาหัสคนใครก็จะฟังผู้พิเัษะไหคนยุทุกสนาทำฟังเกืไก่ได้ังเ ม, ม่ไรเาบทัดไปไปโมโหกมได้หอครับหผมไปวนวายหอ โอเว่ะครับแล้วแต่ยังจยากเห็นเนี่าสนอยู่แต่เราอยากเป็นมัธยุทธเก่าด้ว่งัไงันสูงคนบาณเนี่ยานามันแห้งจนหลยไ้หอะัอกเนี่ยเขาเนยเงาผมไม่แง่นต่วค่เคหางเงยหางเยมากกระาสี่นิ้วตัวเลงลายวัลงอาบน้ำตัเสองมืมองประาณื่อะไรบอกบอคนเมึงบอกนี่มีไหมมีหลยอย่าหาอยู่ฟังเออกไหมออกไหมไม่ออก ออกบ้นะคนกรุงเทพคนไทยสามมันไปอยู่กรุงเทพมากแล้วในรรัาว่าทุกางใในกวนาต์ตายภาวนาอันาทุกางอัตาได้เกิดไผมาโลกก็อันกราผู้ภาวนาอ่านมาถึงเลือการมันจะได้อะไร ก็พวกอำนาจนามดอตาห์ลาหมดบารอาจเป็นถึงในานคในขณะแต่พดาบันเกิะไม่ได้งีอย่างนั้นเพราะไม่ยอมถึงศาสนาพทเเป็นลัทธิที่แฉกช้อยู่นะายเกิดในลตาว่าก่อนาตายครับงรสมุทรราชระมุรตาลเราจะความจิตใจในพระสุทาพระสง์อยู่ี่นี่ เทุกอก้าเาะิรร้อเดืวันมีวันไม่ออกดึงลงไปตามถูกกทออดึงลงไปตามถูกทอไม่ออกแตอนวิชาศาสนะติดท้อใเองถ้ามาเฮ็ดเองะมันขบถึงเพราะในเรื่องใช้คาถาไปกล้าให้มันเรื่องใช้คาถาพพอพอหมดสิ่งของมันมันก็ขบถคือปจนชะนะชนะได้ั้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 มียกหลายตั่งเล่าัสานึ่งข้าวองพริกนะข้าวตองพร่าแนอข้าวองพิครับผมข้าวองพิกผมเดีว่าจเราเป็นอค้าวตพรมาายงงสายงงนี่ว่าตไปวัดือผมนูลกไ่ไเรื่องต้องไม่เร เดี๋ยวค่ไปเอาเขามแยไว้ประนนเอาไปท่บจโดนจ๊เไปบอกไปบอกี่นายไปบอกี่วันว้องูแ่เราที่งเมมนิเลยเนี่ต้องไปไม่ได้เด้เรากระับกรันไม่แย่งนี่เราเาโทรศัพท์ไปผู้หญิงมาบอกซือสปอรสปอร ค้องขั้น่ะเยอะเลยหนึกาแล้วหนึ่กวาหน่นึ่งสองนี่ต่อบกมีหรอฮะท่บ้าน่กิโลเมตรที่ข้างหัั้งถ้ย่างโตแล้วก็โอ๊ย มุตัวเอากันเลเนาอหเอาหมดมันเอ่งน nah> okay, okay, okay, okay. ี้พูดมันก็เอ่านไปยามันกคิาเอาน้นวน้นน้ิินนนวน ว่าไ่าเนี่ย่เออั่นมทว่าอว่าไม่ก็เชื้อมนอกกันโเดิบไปซะนะไปไรมได้ไนี่ยได้ันมตัวนี้มันีไหมสเอาไปันถ้ามาเอาเป็นคุกมันเนไ มาแต่รกรร้ไม่รีรไรไร้านเลยเอาอะไรไร้้อทำนครับดไกล้ไกันไปย่างไปย่างฮะไไกัดไดิไปดินี่นะลองไกก็คดคับกัดด เราถูกก็ตายเป็นนองนนี่นี่นี่ตู้ระานี่เิดขึ้นนี่่เขาเอาหรอกอย่ามาหอจําอที่ะไหูกจับรล้วน็ให้ขาเจ้าคนไแล้วกูมหาใหู้พระราใส่รัใจข้าหันาสั่งเขาริจาาเขาขอให้เราเขาสั่งถช่วยด้วยนข้าหจักเ่ะันเกินงี้ยนก่น ตัวตตัวตัวตัวตัวตัวตัวอัวตัวตัวตัวตัวตั้ตัวตัวตัวตัวาัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวเัวตัวเขวตัวตัตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวตัวัวตัวตัวตัววตวัวตัววัวตวตัวัวตััตวัวัวตววัววตั สุยอดมันสิ่งพื้นฐานอันนี้มันช่วยได้ก็เพื่อให้เราช่วยเดียวเป็นยังไงตั้งทั้งขาเลยเขาไปที่ใช้ตั้งพักพนักั้งคุยิ่งต้งให้กันเนที่นี่เเปิดท่าทายอะไรต่างๆเขาเปิดทำเนยทีนี้เขาเปิดอะไรต่างๆเขาอยากสบายขังนเขาเกาขานั่ง ใครลงไปหาข่าวคนนี้อมาดันผม่า่มเขาว่าสูเเขาอ่าเขาค่อยเดมาเดี๋ยอกตั้งเดนไปไหลังเดินไปเป็นไม่อะไรก็ได้เอาโจง่ายเลยปวดปวดคอนเสพร์ตไปนั่งร้องเพลงกับตาคยินี่จะใส่มาเป็นบาทนนเสียงคีเป็นัิล์เป็นหมอตั้งแยิ่ ตัวนักเก็บทำกันโยนตีมีดเด็กเด็กเด็กพู้ดูสิล้วนตายได้โผล่ทานบ้าบ้าตายโม้นมากเล่นบานักเป็นอย่างพวกันเป็นอย่างรู้ยังขาบอกเป็นลตอนนี้เป็นบ้าเลยนะเป็นบ้าเลม่เป็นบ้าบอลตอนหนึ่งมัมกเป็นบ้าแต่ก็ผ่านอย่างไรตารเัดแข่งขาจะจำจําไ มีรไปทามาบ้างเหรอใช่าบอกว่านายเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กคนง่่างนี้ตั้งอย่ากนไปดกนก็กันต้องกก็ทเลยก็ได้การปเปก็ได้ไปสุดท้ายมันก็จะเนี่ยเป็นธรรม ก็แค่เหรียญนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าพอภาาด้ดีมากดูปกตรตาบ้างต้องการรถหมอรถที่มออ๋ออาจารย์ที่หมออ๋ออาจารที่สามงอาจารย์ที่สองเที่ยงเงินท่านอาจารย์ ปูพงมากับปู่ผมมากรอนะี๋้าวตมปูาหมดข้าอันนี้อะไกันนข้าอไรวะาตมหมูก่ครับผมคนรถเหรอครับไปเลี้ในเกองจังใชันน้อันน่าใช่นี่จะไ่ใช่หนิจำ่อเป้งจรพ่อเปงเหรอครับ แต่อม่็แบบตป็นนาะคือั้งี่การนี่นี่มีกแจเวผมหลายครับมาด่น้อยอี้งอ้ยเยะคเดียวยอนเดกใครบานที่ เดี๋ยวาผู <ren pinpoint> ้กินจะรารกันไปหมดแดง้ายแบบแดงแล้วกู้อยู่นี้อยู่คนไทยนี่เนาะฝ้ายที่ชื่อะไรเนี่ยวั่อนีเรีบว่าเจ้าพัดเลยเขาไม่ใช่เจ้าัด วอาตัวไหละัอไรตัวไ่าจะี้งตนผมว่า like อ mm ัน hmm. ต um, ัวเนกตอมาลครับาะคุณต้งมาตามตัวธรรมดาคกว่าเขาจบแล้วม่้มาปล่อยว่ามาปล่อยตักับทางวกเขานฐานอืมด้องมีรงที่องมรัวเลมรบร สองต้นน <Anh S 2> ้ำหรือเปล่าเนาะต้นน้อเปล่าต้นน้ำต้นน้ำต้นน้ำก็ักนี่ยขึ้นมาล้วกากันยเอามดูดยาจนยลงน้ำเอายังไงเราทำว ออมาหายเรา้วดี้พูดรามวะแกไปได้ครับเรียเป็นแง่มัน้องหายแล้วก็ะเคงาปเคลรมาเคียร์อยู่ตัเงิองติตัวทอตนตัวทอีในที่งไ้วคุณน้ีแน่าันเ้ยว่าทว่าเ ต่พุ่มพุมมาสอบกับุ่มพ่คร ngoài ตอ้กมาสอบกับผูังเกตเลมันเกี่ยวับอไรเฮ้รัยนั้รื่ายังเอี้ดจาก็ี่นย่งเติมก็สาวสก่ายๆเดียวข้าวที่เราทนี้ต่อเบื่อง กูอันที่อน้เห็นเาออกมาดมากแน้เป็น่ใช่อแัดวา่อาดไห่อ่อ่อยต่ยต่อย่าย่อยอยต่อย่อยต่่อยยอต่ออต่อ่ต่อต่ออย่อย่อย่่ออ ต้องเอนตั้งๆได้หมเดี๋ยวเขาเ่อเลยูใ่มาตายเยบัญอะไรเนายไม่ไมมากเลยว่างปวดเหมว่าปวดผู้ผู้จุดก้อนเหยียดหายหูโอ้โหอย่ก้าเลยะ at the same time สามศห้าเก้อาจยนี้นะเอคนหลาย่างไชตัวคนล้โลกใส่เื่องโลกหัวใจเจ้โลกหัวใจนํานี้เลยนี่ยว่าไปทเอยโ่คนธรรมดวัดพระศีมาทาตุลงหัวใจนิดเดีแฉ่เวลาแน้าโมกันหน้าโมกันนิดนึงเลยใส่อนี้ก็่างเช่หัตาอะไไนชือใค่าซงานนมื่เที่ยวพระศรมาธาตุเขาเป็นตววัดการเา ตงาการตัวเขาลำมาเหรอตัวเดียวกิดเลยใกล้เิสารนิือไรอวุ่นไม่รจำโกงยึ่ตั้นเขาหันมาแล้วผมขยเกหน้าเขาปดียคนทั้งปุ๋ันหลายต่อหลายเดื่องที่เขาหนก็หันหันนี่หันนีาันห้าดหันเาบริดว่ามันถึนัเขาจะถ้าตื่นเนี่ยโน่นที่าเขาใจเออกำลังเําดเรี่ยวทำไมอะไรอย่างเงี้ รงเทั้เลยเราเปิดออกมาเลยนาวมานมากเลยก็แตรักเึกข่านี้มาผมก็รับไม่ได้ย่างนี้ได้ละเขา้ยางเงี้ยวลันรงมนก็เพื่้นทาร่คร่รมันก็่อเส้นทางร คือว่าควาเนี่ยตางกันก็ได้กนแล้วนั่นก็นไเดอตนี้แ่างนนหมายควว่าโอ้ยคนไนยมักเย็นี่เ็นค้เอาัจะไปตวไมักเย็นน่เป็นคไต้าพิษเพราะตัวันใชว่าอ้ยาวัวไตมักเยนนี่มาทังข้านไข้คนเย็นเด๋อมาทั้งโอ้ยนก้คเราเอาได้เลยตัวนา เอินกไปเดินออกไปเขาไม่ได้มึงของมึงใส่ใส่ไบ่แค่แฟนแฟนเป็นเชแล้ลูกเสือบอลลูกพูดเสือบอลแฟนลูกพูดของลูกพูดเขาให้เล่นกับเขาให้หมดแจกแจกกับติ๊กแล้วตายยุ่งว่ะจังแล้วลูกเสือบอล เขาเอาไปัพส <ik> like? no <laughs> yeah. so ูงราส่ะไม่ทัพสูงงั้นเาสั่งจะไม่ทัพสเลยมันไงไ่ต้องเสริม่ไหม่งมรับรับยงไง่างกท่นต้องต้งเสนิมอะไย่าง้อไาเขาก่อะครเราเสริม้จาก่ต้องายเเราทำเข ก็ไ้ตรว่าทั้งนั้นเลยหราฉันเทำครั้งนี้มันเปล่นได้จะต่างเนี่ยเนวัด่ว่าคั้งนี้จะเปลีนไหรลุดเขายันคั้งันก็เปลี่ยนเยยุ่งวายุ่งาเนี้วเย็นเลยราได้อามัมนเพื่อไม่สะดกเนไปถ้าาเพื่อนได้ั้ก็ยังดตามดีเลยั้ขอลเอนเอเอาไปฝากมา อ๋อนี่มันอ่อืมอนี่ันไม่เห็นหรือเปล่ามีไหมนี่ไปหลอกนะเนี่ยจะเอาอะไรมกไปแที่นนนาก็กที่นยแบบับขอกันเล่ยวัดกถึงท่านท่านถึงเจ้าขอานปาท่าท่าน ร oh, no ั่าพระเมรจาร้สืบพิ้ได้สเท่าเนี่ยคำน้ร่วมุเข้าเนี่ยคำันเป็นกางว่าหลายวัดถึกฝน้อแหอรนี่กลงวัดเดียวก็เลยโอนอโอนอยะเลยวัดถึกฝันแบบหนหอัอยรัเก่าพระมรจารพมรจารทว่าจะไม็นารอน้อคน ขาวมก็เปดียวกันขุนอาวะนี่ครอแล้วกันตรนเพียหลังเนื้อถ้าูกเรียงห้ายเขาจะห้เมต่าชนกนถ้ปลกนอย่างนี่ไว้ถุงอาบแล้วนี่มันก็ขุ่นี่ส่งกลุ่มอย่างนี้เน้อมีย่างนีแดงนี่มีขุ่นอย่างนี้ข้นข้น่คุณร้องเร่องอะไเ้ารงมาบหัวกกนี่ยตอกคุยกันะาบอกว่ เขาไม่เอาเจ้าหน้าเอาพัดเจริญขาอบินเยอะแค่พันเดือน่ันก็ได้ดี่น่ก็เอาแต่ก็แค่ชิมให้เป็วรักพัดใหม่สดนไปทําของเขามือมั่ดคั่มากลยแต้องเลืผมหานเยอ่ลยางไขก็ออกเอาเลยเอามาให้ใส่เสือไปจะต้องเอาดิ้วใส่ป่านนี่เหเพราะอะไรใส่ป่านี่ยกับเสื่อวัชระมันติกัมากาเลยกนต่อไปเยอะๆเขาพันมาก ผัน่าเิดน่าเคนี่ต่างตมบมากแย่แวริงร้อยไม่รเสี่งกับก็ตายค่อยถึงักคุณอะจะร่งก็ร่งหลัทถาเกิะค่อยคุง่งม่ถูกบตัน้อยากนตายไม่ถึเหนือมดเลยผมบอกกันอย่างักขาทำเิมขายอย่างมากรนานไม่ดีประหงเย น uce. น uce. วิดีโอเนีคัญมากพูดควาเรืวัฒรรมเลยวิดีโอวงี่นอ่าเวลาัฒนธรทางี้แล้วอันนี้ก็ตามมากมันต้องหาแยงยมถึ่นมากมากของหลได้มากเยงวิดีโอนี่ตอนนี้จับต้องได้้มีนมานข้อสหนก็ง ม่หม่ามีตัตัดตับ่มาในเวลาหเขาเป็มาในเวลาปมาณพรเลืาวิเกิดขัน้มยอะหงจากท่มีหิ้ตัดตัเข้าไปสิจ้าคมันด่างเยอแล้วห้น่อสนที่งมอเขบอกว่าหนัง้องจนโยกกระเซ็นไอชิ้นย่างเป็นิ้เโยกัสนขาส้นตายยุง อใจหนแลด้วยลุต่างหก็แบน้นี่บอกว่าควรได้ใช้ักใตักหนังสือใส่ลงยาในนั้นัมใชุ้่ย่ผมมานตะกอนุกกรเทียมไม่ยุ่งมือม่อลับัะไรตัวนี้ะทเมืองเขางหน้าไหลตาต้ับไรก็นียครับอะก็สรมมือมือทานนี่เล วันนี ou, um ้ว่าจะมีกติกามวันแล้วถืะไรนังถอ่างนี่หม้อาวอมอมังา้อังผมก็มายำมาเยี่ยมอผมก็ลว่าเดี๋ยวนี้กลางควกลางเขามันติตายมือแล้วมือมือไหลก็ได้ีเยงมันมีเวลาเลยเลยมาผมก็แบบมัน่อยหม้ออ่แล้วมันเข่าอะไรหม้แล้ว เงินไหลลงก็ไปมันถ่ายเราไปซ้ำถาห้ีกว่าองจะของเขยเที่ยวบนสะกอสลับเนื่องขึ้นบ้านที่แต่กามันืนเกี่ยนสุดเลดตาเเที่ยวจให้เี่ยวมืดเอโหุ้่สคือแม่ผูยังสาวท่านสมนี้เีครเส้นบงนกัน ไม่ได okay, ้ไม yes, ่ได้เห็นโบจังเเขาเขีตายีเราด้างนั่งด่างนี่ยักษบ้านของบ้านเขมบนําเตาเียเียมเลยโอ้้าน่ดกรเบืผู้เิดจะหายท ใช่ใช่ชอ oh, yeah. no, so ้น no, ย mm ่ม hmm. ่ไ no, เ exactly. mm ็นนทาง็ย uh ่าโอ้ยแมนื่อไหร่ป็นีแตกก็นอยละกันมันเกียวนาไลไปยตายใหยังทำอะสักไยตายให้ยังทำอะักหน้าใสหน้าออกเป็นมานกนน้าเอามากเขาอยู่ไหดพูดพียงเดียวสี่กิโลที่สูงก็มีละถูงก็นี่งี่กิโลแคงนี้ แบบอันเครื่องอันรูร่มมาให้รูฟสระวายรูฟให้ตรงูที่ข้างหน้าไปตัวอย่างครือเนี่เครผานาดีเราะมันเพราะมันขอน้อยเป็นเพาะมันเาะมันขอน้อยเป็นอันเป็นขาเป็นค้อมาตักเสียงอย่ากหี้นะต่อแล้วก็รือเปลาเดี๋ยวขุนหาดุจเจริญมันนยับงม่านเฉ่มันมีต่ไม่เลอะเลยไปเติมไอย่างวัดถังกรอามาอ่ะเดี๋ยมาไห้ดูอยริผมบอว่าบงดึงดีดึงดย ผมก็จอย่างงี้อันน้ก็มก็เดมาบเห็นบ้างคันบ้างไา้บ้างขั้นต่างหน้ามันก็สงน้ำส่งรยอะผมก็จะให้น้ำขั้เหลิมเยแต่มาเลยผมก็ให้หมุนกมาก็นคู่เพราะหนูมีน้าเยอะนว่นอสถานที่้แรกนี่ผมขั้นแรกถูกมผม ผมเชืมาข้ามตาไปมมีวันอสาทขามคำมต่างกนเลยคือมการที่เห็นว่างันที่รรมเรอยแล้วมันจป็นเบอร์ปนงามามาขาดน้ำขานยงว่ด้วยขาดน้ขาดน้ำมีใส่มากเลมี่นะมีแมี่่เีเขาอย่มันห่างเยเลยขาอยมากจนถึแล้วือข้างนึ เพื่อนป่าเขาก็ขายห้างผมบ้นมาน ก, ก็ขอต้งลงไปผูหลุบ้านดวยหน้าอันนี้โตก็ ม, นขขน ม, กมีน้าอักบขาหน้าไม่้ตัดไก่เหมือนกันด้วกายต้นไ่ได้ไม่นาเลยรมาถับข้อติหน้าข้อติหน้าได้ด้ว ย, ย, ยสำก า, า, ารดีอยู่นั้ น, ก, ก, น, มม น, น, นกันผมบ้านอะไรอยู่้าอันจะต้องสำคัมาก มดนไม่ยาจะเกิดใช่สบายจริงสบาเนี่ยร่างโดยทั้งความสีหายจะเกิดการวิ่งงานน่ยการเสีหายที่ของสัง้าเราหายจะใชเวลาดูไม่ต้องเป็นการเป็นร่างการนี้มันจะผลจะดึเรื่องข้อม่อเอแม่ในการเอาเรากองบานเดียวเลยคลุ่มมาเดียเลยขั้นเดือดผลประกอบมันไ่เป็นเรื่องข้นเดือด้าเนี่ยเอาธรรมาเดียวเลย ตรงเนี้ยวามันมีบัเมาหน้ากขอยู่ต่อไปบนี้เลยเบูมีเมบขั้มตัดทางน้าลดนขงน้าโงนี่เมเมือนเพิทางหน้านี่ผู้ส่งวตข้มย่เลยนี่เนกะขังที่เหลือจน้วต่มันต้องขั้งอรที่เขั้งที่เหลือม่รขั้มอะขั้งเขาอายุปรักรเลย ก็คือเอดายคือหาวันที่ไหนและนี่เรา่อบบข้วบั่กัจนรถแต่รรเดี๋ยวเอาันีรขเหมลยังรถข้ารันรรกัน อ้อนลุ่งอ้อนุงมบอกาคังบอกอ้อนงเด็นประโยชน์อ้อนร่งท่่นปนมดข้ามเต็ม้อมือหนอยู่ละท่านประโมัด้ขามันมัดเปลือานหนึ่งคันตั้งใหม่ั้งมือมดของมดอีกบ เวลาลงไปก็เขาเขาว่าหาเหมือเวลาล่องไปเขาว่หาหมอเขาขึ้นมากเขาหาขึ้นมากแค่เขาต้องให้เยอะมากเขาถ้าจะหามาสองปีเลยไม่ได้บินไปบินถบปดาทอนบ้านสามปีเล้วิลุกไปเป็นเทาเนี้ยได้รามผมก็บ่าไปทบ้านไกลที่เดิมมีกระโดดนี่สองสามว่าไปแค่บ้านหน่อยเพาว่าตังของมบัตนี่ย แคบ้านนอย่ปนายสามหลังค่านั่นครับยางมาไผมาสบายไปผู้เดียวมันด้วดไปตั้งได้ตั้งแต่ขามน้น้อยก่อนคว้าทสภาพแวเน่นถ่านมอบาเดือลาเดอะรเอา้วนีสภาพแวดโน้ตุนตั้งขวเกลื่ขดนี่ยานออ ก่อนหางานี่แหละไปจ้างซ้ำรเมื่ตัวาพวามด้ถึงแต่ว่าได้เงี้ยได้เง้ยเหมือนกันเกินไปไม่จำเป็นจริงว่ารับม่ได้เมื่อเมื่อังล หยดมใจไมนติมก็เป็นดอกยดนัมีเรามัคกนเลยนะเป็นศิลปหนกรมโถเงินตั้งถึงขอขนกันยลับมุ่นสวข้อพระมุ่จากน่าใส่กไต่างๆตงเร็จทแบาแต่มากก็มาตัวงบามีารต่างงานนถ้งนขคืว่าใสดีน่าร้ายอ่อนสวยงามสเกลีดยน้เพื่อนอี่คกัน มีแต่ม so so so ่ผมก็ยังรู้แต่ร้ายการเมืองต่าอางถ้าวันาจะไปต้อขวัญข้าม่เรียมเพื่อนคนนี้ก็น้ำโ่ขึ้นเท่านั้นว่ามันน้ำโม่ยทรัพย์ตัวตายแต่อะไรเอโต้อะไรชอกลังทางนั้นยขนมาทำไ เขาหน้าไข้เหรอมื้า็หงายทีมันโลงทงแค่คเดียวเท่านี้ครับช่วงวันไนมันติต่อไม่ใช่คนเดยวอันผู้ครอกทันควรฉันยังรับไปให้ตามว่านาคงยั่ให้หน่งปแต่นบังัดเลยแล้วอีกสองอีกงก็ยัให้หน่งคนไม่ได้คนวรนวดตดนั่นล แล้ก็คขากยัเป็นแบบนาสนด้ผมว่าเป็นแบบสว่างมันจะเป็นาไม่เล่นบี้เลยนี่พนัมากเลยแต่เฮ้ยน้ำตาลเป็นตัวมากเลยนะมันก็เป็นน้ตามากนก็ให้กลนท้เรื่องเกลี้ได้ับาก็เป็นทัางเื่องเนวันใันของปนการอย่างเดียวไม่ใช่กรดู ผมดูว่าผนั่งอย่างไรนี่ก็เหมือนี่นี่พอท่านขวัญเป็นไปเที่ยวเพียงนี่ผมน่คือขึนข่พ่อ่นี่ดนาดน่ปนตตาบพนารณาางตาอยางไรพค่่นเลอาะนไรน้วบนั่น มหมที่ขาเรนต่งหน้าผ้าแ่งาชาตงตาบุดตาไรเขาไปโดยเฉาะเป็นถ้ำเลยมีมองกันมีด้วยความตลาดของข้งมตั้วข้อด้วยว่ามันเป็นอะไรของการทำอะไรอ่นี้คือตัวนัว่มือกวาดหงนั้นก็นถ้ำมือถือสมุดขีถากเร ผมไม่เคยเขาเอาใจฉันหมดเพื่อผมบอกมจะทำเพื่อนนั่งเด็กเ่อนกับเื่อนแต่จะทำคำพูดขงคน้ไม่ยั้งเลยมื่นมืนโมเดลไปสุดประานี้เพื่อนางใจนับกิโล ถกันนะพี่โจ๊กเมื่อวัเขาม่เนข้าไม่ะามายพี่จ๊กไ้นมค้เราอกอยากข้อยากนยพี่จ๊กชุดไปด้วยกันตึงๆและอะไรอย่างนี้นั่นนะะอยากเหมักข้เหมือนนาววจะต้องเดิข้าวขึ้นไปดูงานนักพ่อหลังงานใหญ่เนี่ ขน่จเกิดขั้นก็เป็นประโยชน์นี้ขั้นหนึ่งจะประโยอน์นั้นก็เป็นประโยชน์นี้ข้าได้การที่มีถิงนอาที่รู้บ้าเดมาการคงใจยึงนั้นหนึ่งคือเหมอนกันมือก็ไปก็ไม คืมากแต่ละวของเคยพอหน้าแต่ยัมีถึงกเนเ้นมีีกๆมีมากเกิห้ามเป็นว่ามาเกิดพนคือภาษามันแต่มเปนักเป็นผรมมอเปกือองี่คนนที่ตั คุณนั่นเคนเะเป็นรถเติมเชื้อคุณจะนั่งดีกว่าใจคุณเตมมากคุณมันเติมขึ้นขึยืดขนมาเยอะคุณบอกมด้ยเป็นัเร่มคกันข้าัก็้นเรื่องวเป็นาวนหขาที่่ามนหน อนทำมันทำมันทำมนไม่เล่นไม่ทำเราคือตึนหน่อยตนักเอันนี้องตนนกินสิบช้นแบดไทยีเป่าจากนั้นคิดตัดมันออกจริงออน่าจะออกจากวันที่ปันเนาะ้นเันขึ้นแขนมัน รออกไปไปร้งไม่ทึ้นไปไปร้องไห้ขึ้นไปขึานไปขึ้นไปข้นไปขึ้นไปขึ้นเปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปข้นไป้นไปขึ้นไปขึ้นก็ขั้นไกขึ้นไป้ไปขึ้นไ้นไปขึนขึ้นไป้ข้้นน้ไปนน เด็กเป็นครูจาเงามจ่เอนอาะาดาก็ไม่ยน่เป็นรเลยอาจที่เป็นแบบเื่อน่อามจาแต่เพ่จายโอยมันจะได้ไนเด็กมหวาเหมือนโลกมันก็บอกม่หพา้องตัดต่อเที่ยวตอเล ืึงจะมาอะไรบพถก็ได้แต่คน่าน่เข้าใจแหละวลาเข้าไปแล้น่าเข้าใจแล้วว่าอะไรบ้าหลายหลัก็นน่ามันบอก่าถือว่ต้องเอาไว้ละพสเข้าใจแล้วเนวไละขันหนาขึ้นมาเห็นไปเลยนข้นมาเกื่อเบ้งท้าที่าทซ่มอะไรเขาจงเห่ืนจกคอยมั่งหามันมัยที่หนาไมคุ้ถือนั่นหละก็เหมือนชุบ การที่ไหนไม่ปักเลยไม่ต้องว่าอะไรพอใจละคือเนื้อมันแข็งไปแล้ ยิ่งดีหรอกยิ่งการนี้ก็ทันทั้งมาย้นแล้ไม่ตายท่องงองั้งยนงะคเเเอโเเอโเโเคอค อืม ราบารักษยตังราบาราภราชธรรมตุลโมขันธ์เจมังานแต่่ออกป่วยมัแก่หางขมามิตร่นให้เปเมานี้ต่บังาอังยตโยจกเบประมาิตว่าปัจจาโซ่ณประมจะตุโยโมังงพาโซเกียรความเจอจันดีมา ยัตตาปาปังกะตะังกั ม, มังกุสะเลนะปะหิยะติโซมังโรกังระพาเกิดเกิดภาณุโตยังดิมาอภิวาตราิริตุนิจังมุทาปจ า, ายโนโจัตตาโรธรารมาวะทานติอายุวันโมสุ ข, ขัางบาลัทา ง, ทางทางพุทธังตลาและมีความประมาทาง่ามต่อผมด้วยกายวาจาใจทั้งต่อนหน้าและหลังที่ื่วงแล้วก็ดีปฏิบันนี้ก็ดีอุณาภโทษ ท่านทั้งหลายม่เป็นบาปเปนกมแก่กันะกันแม้ตัวผู้เองคนได้มีความประมาททั้งภาคตางทั้งหลายเกายรอาใจทานต้งหักใหนาที่ว่แล้วก็ดีทุกวันก็ดีขอท่านทั้งหลายจงให้ภั่เพื่ออภัยแกเพื่อแก่คนด้วยก็ต่อไปนี้ขอท่านทั้งหลายจนมีความเพลิงอกงาในกิจกรรมศีลศสนาโดยทั่วกันเทินนั่น มัดกับมัดเด้งมดตสิที่ยางเห่าะกับกตะวนกันนท่ยง